จุลปันนาตหนึ่งอันตวักหมวดว่าด้วยที่สุดหนึ่งอันตสูตรว่าด้วยที่สุด1้อยสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสี่อย่างคือหนึ่งที่สุดคือสักยะกายของตน สองที่สุดคือเหตุเกิดแห่งสักกายะสามที่สุดคือความดับแห่งสักกายะสี่ที่สุดคือปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสักกายะที่สุดคือสักกายะเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าที่สุดคือสักกายะนั้นได้แก่อุปทานคันห้าประการอุปทานคันห้าประการอะไรบ้าง คือหนึ่งรู ป, ปรูปธานอาคารอุปทานขันคือรูปสองเวทนูปทานอัานารอุปทานขันคือเวทนาสาสัญญาปทานขาคารอุปทานขันคือสัญญา 4. ส, สังขารูปทานอาคารอุปทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปทานอันาร อุปทานขันคือวิญญาณนี้เรียกว่าที่สุดคือสักกายะที่สุดคือเหตุเกิดแห่งสักกายะเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทรรมให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนดมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ 1. กรรมตัณหาความทยานอยาก ในกาม 2. ภวะตัณหาความทยานอยากในพภพ 3. าภวะตัณหาความทยานอยากในวิภพนี้เรียกว่าที่สุดคือเหตุเกิดแห่งสักยะที่สุดคือความดับแห่งสักยะเป็นอย่างไรคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืน ความพ้นความไม่อะไรในตัณหานี่เรียกว่าที่สุดคือความดับแห่งสักกายะที่สุดคือปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้แลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2, สองสัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3, สสัมมาวาจา เจรจาชอบสี่สัมมากรรมตะกระทำชอบห้าสัมมาอาชิวะเลี้ยงชีพชอบหกสัมมาวายามะพยายามชอบเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนี้เรียกว่าที่สุดคือปฏิปทา ที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะพิกสุท์ทั้งหลายที่สุดสี่อย่างเหล่านี้แลอันตรรสสูตรที่หนึ่งจบสองทุกขสูตรว่าด้วยทุกร้อยสี่เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทุ ก, ทกขคาสมุทยัยเหตุเกิดทุ ก, ทกขานิโรธความดับทุกข์และทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เธอทั้งหลายจงฟังทุกเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าทุกนั้นได้แก่อุปทานนาขันห้าประการ อุปทานอันาร5ประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปปทานอัคารหวิญญาณโอปทานอันา์นี้เรียกว่าทุกข์ทุกขาดสมุทัยเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ 1. กรรมตัณหา 2. ภาวะตันหา 3. วิภาวะตันหานี้เรียกว่าทุกขะสมุทยัยทุกขะนิโรธเป็นอย่างไรคือความดับตันหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไหมอะไรในตันหานี้เรียกว่าทุกขะนิโรธทุกขะนิโรธทคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไร คืออริยมรรคมีองค์แปดนี้แลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิแปดสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาทุกขสูตรที่สองจบสามสักกายสูตรว่าด้วยสักกายร้อยห้า เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกสุทั้งหลายเราจะแสดงสักกายะเหตุเกิดแห่งสักกายะความดับแห่งสักกายะและปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสักกายะเธอทั้งหลายจงฟังสักกายะเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าสักกายะนั้นได้แก่ อุปทานขันห้าประการอุปทานขันห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปูปทานขันห้วิญญาณูปทานขันนี้เรียกว่าสักกายะเหตุเกิดแห่งสักกายะเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัด มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือ1กรรมตัณหา 2. ภวะตัณหา 3. วิภวะตัณหานี้เรียกว่าเหตุเกิดแห่งสักยะความดับแห่งสักยะเป็นอย่างไรคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิรา ค, าคาะความสละความสละกเกินความพ้น ความไม่อะไรในตัณหานิ้วเรียกว่าความดับแห่งสักกายะปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดนิแลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสสัมมาสังกัปปะ 8. สัมมาสมาธินิ้วเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสักกายะสักกายะสูตรที่สจบ 4. ปริญเยยยสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้1 0อยหเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรกำหนดรู้ความกำหนดรู้และบุคคลผู้กำหนดรู้เธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นอย่างไร คือรูปเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เหล่านี้เรียกว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ความกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เรียกว่าความกำหนดรู้บุคคลผู้กำหนดรู้เป็นอย่างไร คือควรกล่าวได้ว่าบุคคลผู้กำหนดรู้นั้นคือพระอรหันต์ได้แก่ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคษอย่างนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้กำหนดรู้ปริญ ญ, ญายสูตรที่สี่จบหสมณะสูตรว่าด้วยสมณะ ร้อยเจ็เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปทานขันห้าประการนี้อุปทานขันห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรู ป, ปูปทานขันห้วิญญาณูปทานขันภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามหมาลดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดคุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน พิสุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดคุณและเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าประการ น, นี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ทาให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราม ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณสูตรที่ห้าจบ 6. ทุติยสมณสูตรว่าด้วยสมณสูตรที่สอง8เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปทานขันห้าประการนี้ อุปทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่งรูปูปทานขันห้าวิญญาณูปทานขคัญพิสุทธ์ทั้งหลายสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะหรือพรามหมล่าได้เหล่าหนึ่งรู้ชัดทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหม์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทุติยสมณะสูตรที่หจบเจ็ดโซตาปันนสูตร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 คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า 8. อารหันตะสูตร ว่าด้วยพระอรหันต์ร้ยสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปทานขันหประการนี้อุปทานขันหประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปูปทานขันหวิญญาณูปทานขันภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดความเกิดความดับ คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าภิกษุผู้เป็นอรหันตขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอรหันตสูตรที่8จบเก้าฉันทปหานสูตรว่าด้วยการละความพอใจร้อยสิบเอ็ดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ชันทปหาณสูตรที่เก้าจบสิบทุติยะชันทปหาณสูตรว่าด้วยการละความพอใจสูตรที่สองร้อยสิบสองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 เหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ในเวทนาในสัญญาเธอทั้งหลายจงละความพอใจในสังขารเมื่อเธอเป็นเช่นนี้สังขารนั้นก็จักเป็นอันเธอทั้งหลายละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มี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 เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ทุติยะชันทปหานาสูตรที่สิบจบอันตะวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งอันตะสูตร 2. ทุกขสูตร 3. กายะสูตร 4. ปริญญยสูตร 5. สมณสูตร 6. ทุติยสมณสูตร 7. โสตาปนะสูตร 8. อาอรหันตสูตร 9. ฉชันทะปหานาสูตร 10. ทุติยชันทะปหานาสูตร